บทสวดทำวัดเย็นวัดพระรามก้าการจนาพิเศษนำสวดโดยพระเทพพญาณวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระรามก้าการจนาพิเศษพร้อมคณะสงฆ์ ทว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดิ์ค่ะตัวภักวัตตาธรโมุพระธรรมเป็นธรรมทีม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้วดีแล้วธรรมธรรมนามสามิข้าพรเจ้ า, านามส ก, การพระธรรม สุตฏิปันโนภะวะโตสาวกัสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอฏิบัติดีแล้วสังทางมหามิข้าพระเจ้านอบนออ้อมพระสงฆ์ยะม ม, มะโคตังพระกวนตังสารนังกาตา โอเดสสะบัจิตาโยโนภะคะวะสัทถายัสชะมายังภะคะวะโตธรรมังโรเจมะอิเมหิสกาเรหิตตังภะคะวันตังสสะธรรมังสสาวกะสังขังอภิปูชยามะขันธ์แดนนิเมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิกายิตุงบุบะภาณามะกาลันเจวะ บุธานุสติณายันจกโรมเสสนัโมอัตัสสากาวะตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสมมาสัมุทัสสะ พระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโตหอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมบูติทัสสะตระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมทัสสะอาตะวะโตข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหาตโตซึ่งเป็นผู้คลจากกิเลสสมมาสมบุรธัดสะพระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ตังโคปะนาภะวันตังเอวาตัลยานุจิติสัตโตอะุกะัโตก็จิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พุงไปแล้วอย่างนี้ว่ายิติพิโสภะวานพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อรหังเป็นผู้กลจากกิเลสสมมาสัมบุตรเป็นผู้ตรัสรู้ชอาบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิโู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรอบุริรมมสธรรมสาระพี่เป็นผู้สามารถเกิบุรุษที่สมบวรเกิดง่ายอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเดวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตรโตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม สักวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ันรมยังบุทธาพิกิติงกรโรมาเสบุทธทาวารหันตสาวารตาที่คุณนาทิยุตตราบุตธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุดภาพิญญานการุณาหิสมากะตะตอมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธิ์บเหิติโยสุจนนตังกามังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนดีดีให้เบิกบาน ดูดธาตย์ธรรมบัวให้บานบานนามหังตะมรนังสิรษะชี้แน่นังข้าพรเจ้าว่ายพระชินสีห์อู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงเข่าวุตโตโยสัพปานินางสารนังแค่มมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสา ร, าระอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติธานางังวันดามิตังสิเรนหังถ้าพระเจาวว้ า, จาว้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่ตัง้งแห่งความระลึกองค์ที่หึงด้วยเสียงข้าวบวุตรธาตุอา ส, าสามินาสวะบวุตโทเมสามิกิสรอ ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าบุตรนุคตาทตาตาจาริธาตา จ, าาตาจาิตตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แกอกูลแก่ข้าพเจ้าบุตรธาตุสหนิยาเดเม สรพรันชีวิตันติดังข้าพเจ้ามอกายถวายชีวิตนี้แต่พระพุทธเจ้า ว, วันดันโตหั่งกริสามิบวชอาเัวาสุบวติตังข้าพเจ้าผู้ว่อยู่จากพระพุทธามซึ่งความตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาถิเมชรนังอันยัง มุทโธเมสารังวรังที่พึ่ออื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ออันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเทนสัสจวัฒเนาาเนหัวเอยังสัทธุาสาเสนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศา ส, สดา บวชทางเมวันระมาเนนะอย่างบุญอย่างบาสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขนวา่บุญใดในบัดนี้สาบเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตยัสสขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจายะวะเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีบุตรเถกุกัมมังปะกตังมะยายังกามนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำร่วมเกินแล้วนานพระพุทธเจ้าบุตรโทาฏิกันหะตุอัจยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษล่วงเกินนั้นนั้นกาลันตะเรสังวริตุงอมุเตเพื่อสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันดมยังธรรมานุสเินยังกัโรมาเสสว า, ากาโตภะกวตาธรรมน พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสั้นฤทิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมานูเถิดโอปัยิโกเป็นธรรมที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโมวินยูหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ขันตัมยังธรร ม, มาภิกิติงกโรมาเส ตัวขาตัตาที่คุณนายโยงกวบวันเสนสยพระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผูงมีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้นโยม ก, กับภาคับบริยติวิมโมคขเพโดพระธรรมใด จำแนกเป็นมรกผลปรียะและนิพพานธรรมโมกุลอกพั ต, ตนาตร ะ, ะทาลิธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมอยากการุกไปสู่โลกที่ชั่ววันดามหังตมหารังวัธรรมะเมตงังถ้าพัญาไว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืด ธรรมโมโยสัพพานินางสารนังเขมุตตมังพระธรรในใงเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนุทิยานุสติธานังวันดามิตังสิเรนังอาปะจาวัยพระธ ร, รมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยสิบเกา้า อรมมาซาหสัมมิดาโซวาธรมโมเมซามิกิสรข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่มีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรมโมวลุคาสัาตาตาจาริสตาตาจาิตัตสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์เพื่อกูลแก่ข้าพเจ้า ธ ร, รมมะสั่นยานิมิสารวิรันจิวิตันจิลังอาปะเจ้าขอมว่างกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันโทหังนกฤิชามิทำบาร์เซวาสุธรรมะตังอาปะเจา้าผูว่ายู่จากกระพื้ตังเส้นความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนางัญญาง อรรโมแมสารนังวรันที่พึ่ออื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่ออันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัสจวัเชนาวาสยังสตุาสเาเสน่ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันดามานนะ ยังบุญยังประสุตังอิททา้ า, าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนขวายบุญได้ในบัดนี้สับเบปิอันตรายามมาเทสุงกัสเตยัสสากขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้ า, าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจยยายวะเอตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมะกุกรร ม, มังปัจจตัญยายังกรรมนาฏเตียนอันใดนี่ข้าพเจ้ากระทำล่วงเกินแม้ไร้ท่ธรรมธรรมโมปฏิกันหตุอัจฉริยตังขอพระธรรมจงอดชดล่วงเกินอ น, นั้น กาลันตะเรสังวริตุงวัมเมเพื่อสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันดัมยังสังคานุสติณยังกะโรมเัเสสุขติปันโนภะกวโตนสาวกะสังโว สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติดีแล้วควรยุปฏิปันโนภะกาวาโตสาวกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติตรงแลว้วยาญญปฏิปันโนภะกาวาโตสาวกะสังโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วซามีติปัติปันโนพระดาวะตสวาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติสมควรแล้วญาติดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จาตาริภุริสายุคานิอัาปุริสบุกลาคูเหงบุรุษสิคูคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบรุษเอสาพระกวะตาตโตชาวกัสังโคนั่นแหละสงาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโย ο, เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโย ο, เป็นสงควรแกสาการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับท่าจินยโยเป็นสงควรรักทักสินาทานอัญชริการณียอเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอานุตรรารังบุญยะเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ อันดมยังสังคาภิกิติกโรมัสสีสาธธรรมะจวสุปฏิปติกุนาติยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัธรรมประกอบด้วยคุณม oh ีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาปิโทอริยบุคลาสังฆาเศธโอ เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแต่จำพวกศีลดิธรรมมาวราศยกรรมญตโตมีกายจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวรนดามหังดำมาริยนนานักหนังสุสุดทางข้าพระเจ้าวา่าหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นบริสุทธ์ด้วยดี สร้างโคอยโยสัพมาานินางสารนังแค่มนุตมั ง, มมงพระสงฆ์หูไดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันดามิตังสิเรณังข้าพระเจ้าว้วพระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึอกองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าว สร้างขัดสาหัสมิด้โสวะสร้างโัเมศามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นใหญ่มีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างขัวนุขาสค า, าตาจัวิทาตาจัหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์เพื่อคูลแก่ข้าพเจ้า สร้างขัดสาหั่นนิญาเดมิสารีร์นชีวิจิญ์นิรังห้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วานดันโตหังนกฤตสาามิสร้างคาโซปฏิปันตังขาพระเจ้าจผู้วายอยู่จากพระพุทธทางซึ่งควางเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาธิเมสรณาัญญา สังโคมเมสรนังวรันเอื้อเงินของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่เพ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจวัตเชนาวัทยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของกษัตริดาสร้างขังเววันดามานนา ย, ยังบุญยังปสูตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนไถบุญใดในบัดนี้สามเณรปิอันตรายาเมมาหิสุงตาสะเทชะสาขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจา้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวะจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวะจารก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเขกุกกรร ม, มปกจจังมยายังกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำร่วมเกินแล้วในพ ร, ระสงฆ์สร้างโอปฏิกรหาตุอจยันตังขอพระสงฆ์จงอดโทษร่วมเกินอันนั้น กาลันตะเรสังวริตุงวัสังเเคเพื่อสรางรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันดัมยังบรมวิหารพระนังพระนามาเซ ส, สัตเวสัตตาสัตทั้งลายทั้งปวงอเบราหุนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดอภิญญาปชาโหออตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดธานิคาโหออตุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดสัพเบตศตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนุกขาบูชาตัวจงพ้นจากทุกข์เถิดสักเบสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาลาธาซัมปติโตวิกัตชันตุจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิดสักเบสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักการ เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมาดาาดาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรเนินกรรมมาปานุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์กรรมปฏิสนณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสันติ อยากทำกรรมบันไดไว้กรรยานงวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตาสดายาดาพวิสันติอยากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นาอายังโคเมขายงกายของเรานี้แหละพวดทางบาดาราเมื่อบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสัมถกาเบื้องดำแต่ปลายผมลงปลายานจากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรักอุรนานาปการะัสสะุจิโนเต็มใบด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกายีมีอยู่ในกายนี้ แก่สาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสังคือเอนื้อนหารูคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยอะในกระดูกว่ากลางตาย หาตไดยังหัวใจยากะนังตักกิโลมกตังทังเกิดปิหากาง ม, ามัมปะผาสังกร อ, อันตังไสใหญ่อันตาคุณังไสน้อยอุทธัยยังอาหารใหม่กะวิสังอาหารเก่ามัทกะเกมัทกะลุงังเยื่อนในสมองศีสันปิตามัดี เสมหังน้ำเสดปุกโปน้ําเหลืองลอยปางน้ําเลือดเสโทน้ําเหงือเมโทน้ํามันค้นอสุน้ําตาหัวสาน้ํามันเหลวเทโลน้ําลายสิงคานิกาน้ํามูกราศิกาน้ําไข่ข้อมุตตาน้ํามูดเอวามายังเมกาโย กายของเรามีอย่างนี้อุทังปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโทเกสามัตะกาเบื้องดำแต่ปลายผมลงไปฐานจากปริยันโทมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุรนาณปการสะสุจินโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้อนตัมยังปฏิดานังพนามาเสีปุญญาสินานิกาตาสายานัญญานิกาตานิเมเอสัญญาภิกิโนหุตุสัตตานัตตาปมาณาคา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจ่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจาือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณไม่ห่างมาตาปิตาไดโย มีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเดธาเมจาปะยาดิธาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมจดดาจดเวริโนสัสตตาติทัณติโลกัสสมิงและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลกเพภุมมาจ ด, ดโยนิกา เกิดในภูมิสามเกิดในกันเนศสีปานเจกจตุวการามีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่สร้างสรันตาพระวาพระเวท่งเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาทังเยปฏิดานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเทสยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจองอนุโมทนาเองเถิดเยจิมันนัพปชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เดวะเตสร้างนิเวยะโยมขอแทบทั้งหลายคุณแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาดินา น, านาณกุญญานังอนุโมทนาเหตุนา พระเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสักเิสัดสตาสนาหุนตัวอเวราสุขชีวิโ น, อนขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถอิดแค่มาปะนจัปรปกรณตัวและจงถึงทางอันกเกษมเถิดเสสาสะสิจตังสุภา ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถอด